การแนะนำในการปฏิบัติพระธรรมทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ถือว่าเป็นการแนะนำแนวดับต้นศกเพราะว่าเกณฑ์ของการสอนในขัง้งแรกต้นต้นจริงๆเราสอนกันดับมาคือสอนั้งแบบสุขภาพสดสด โ, โ, โปร่งโปรสะอาดโป ป่าีสามีท้าปโะตูเป็นการว่าเราสอนกันม่ยังกัดมีการกำหนดในการปฏิบัติของบรรดานักปฏิบัติทั้งหลายก็ย่อมจะเป็นของลำบากอยู่มากไม่ว่าเป็นการยากแต่การ เ, เรื่องต้นการเรืเร่องการปฏิบัติจริงๆ ก็เป็นการหนักใจเพราะว่าบางท่านกำลังคาดว่าเอาจุดไหนกันแน่มีการสังคราวนี้ก็ได้เริ่มต้นในคนของขสุขาบุปภะโกถ้าคนของขสุขาบุปภะโกผ่านไปแล้วก็ว่างสายไม่ขั้น ต, ตัววิโชชลากิโยตาปิสัมติทัตปโต เท่งนี้เพื่อพลังแล้าเพื่อสายการปฏิบัติเอาตามชอบเราแต่แม้แมแบบแระดับทุกพันก็ควรจะทราบอารมณ์ของจิตในการที่จะเข้าโซ่ความเป็นผู้มีจิตบริสุทธิ์เป็นระดับไปในสายของสุขบุตรสุโกศิกรเมื่อสายสุขัุตรสโกนี้เป็นสายพื้นฐานของการข้อระดับจิตที่อยู่นละ เ่อนไปดูโชวชลสิงโยประด็นสัมมิทัประโตนั้นเป็นการปฏิบัติเนื่องโดยกีฬาสมาธิจริงจะถือว่าไม่ใช่หลักฐานไหวในการปฏิบัติเพราะสายเป็นการบรรลุจริงๆย่าเมีอารมณ์จิตเสมอกันนั่นก็คือมีอารมณ์จิตในท่านสุขอุบาสกโกตามที่กล่าวมาแล้วในปารุคม ว่าเวลานี้มีสะหนุ่มบวชเมื่อโยุครบแล้วก็สามารถเข้าสมาบัตได้ถึงเจ็ดวันย่าไม่มท่านเรียกว่าไมโรอเท้าสมาบัตแปลงว่า เ, าเป็นการมังโอินที่ท่านว่าเข้าพุชานโลกี <c oughs> แวก็สามารถอดข้าวอดน้ำได้ถึง7็ดวันอันนี้ก็เป็นการนอกหนูตํรมราถ้าตามตรรราจริงๆคนเรียข้าวสมาบัติได้ถึงเจ็ดวันหรือสิบห้าวันโดยไมต่ต้องกัดอาหารการบริโภคอย่างไรเลยแล้วก็อยู่บ้านเป็นปกติตามแาบปฏิบัติที่พานกล่าวกันมา ก็ามาได้ ว, ว่าท่านผู้นั้นจะต้องเป็นพระท่านปริสัมมิทายานและโดยเฉพาะอย่ายิ่งปริสัมมิทายานนี้จะเข้าถึงได้ก็ต่อเมื่อท่านผู้นั้นเข้าถึงพระอนาคามีจะต้องตั้งแต่พระอนาคามีขึ้นไปยิงย่สามารถเข้ามีโทภะปมามบัต ได้เป็นปริสัมมิทฐ า, านได้เพราะว่าสําหรับพระองค์นี้ทีาา่มีอายุพรรษาเพีงสี่พรรษาเมื่อเข้าสมา บ, บัติได้ถึงเจ็ดวันผมจะไม่พยากรณ์ว่าท่านเป็นพระปริสัมมิทฐานเพราะว่าไม่ใช่วิสัยที่จะพยากรได้ที่พูดไปแล้วว่าที่พูดตามตํำรับผู้ตาราที่เราสั่งสอนกันมา แต่ต no ้ว่าเวลาเรื่องผของสารผลิตมาการ่ากับท่านท่านมีอายุพรรษาเพีงสี่พรราจัดว่าเป็นพระเด็กแล้วก็มีปฏิบัตาถูกต้องตามแบบฉบับทั้งหมดศึกษากับครูบาอาจารย์พอมีความเข้าใจอยู่ในวัดจะหาทางฝึกฝนในด้านการงาน เวลามีภารกิจมาก็ทำทุกอย่างตามหน้าที่ของพร ะ, ลรพระหลวงพ่อพระในท่าสอนให้ผู้ตัศาสนาไม่ยามว่างก็หายจุดสงัดไปที่ปฏิบัติสมณธรรม<บ>ก็เรียกกันว่าได้ทั้งคันาธุระและวิปัสนาธุระท่านนักปฏิบัติแบบนีบ้ทำตนถูกต้องเพราะว่าการปฏิบัติถ้าไม่มุกงการเคลื่อนไหว เวลาส า, สน า, นกากยกำลังจิตใจกฉพาะในหน้าสงบสงัดไปที่เดียวก็ต่อบกันได้เลยว่าเอาดีบายยากท่ามี้เราว่าไม่มีการสัมผัสกับอารมณ์ภายนอกจิตใจยังไม่แน่นวแน่พอเวลาที่อยู่ในที่สงัดอาจจะคิดว่าเด็นอาจจะคิดว่าดี พอมากระทบกระทั่งอารมณ์ภายนอกเข้าที่ไม่พอไม่พอใจอารมณ์ติตก็วันไหวง่ายทั้งมี้พายจะเทียบกับนักมวยเลยนะครับนักมวยฝึกมวยซ้ามวยอย่างไม่ท่องขึ้นชกบนเวทีนักครับเมื่อฝึกวิชาวุทธไปดีมีความคล่องเคล้าก็คิดว่าตัวบันเอะในโลกมันยังเชื่อไม่ได้ดีไม่ดีไม่ถูกพูดนานกัน มีการฝึกอาวุธอันดับปลายไปเกี่ยวชามในการรบเกี่ยวชามในการขึ้นเวทีกาจะแกขแได้ง่ายเพราะว่าลีลาของตัวไม่มีการสัมผัสจริงข้อนี้มือผมมาชั้นใดนักปฏิบัติสถาบังก็ชินเดียวกันไม่ใช่ว่าจะนั่งก้มหน้าก้มตาอยู่ในที่สงัแทางเดียวจะไม่เคลื่อนไหวทำอะไรเลย แม้ก่อนจะน้มตนว่าเป็นคนดีอันนี้ยังเชื่ออะไรไม่ได้เลยดีจริงๆต้องมีการสัมผัสทุกอย่างได้วจิตตรงอยู่แต่เท่ากับตั้งกับการงานกเท่ากับตั้งกับความเหนยยากกเท่ากระทั้งกับอารมณ์ที่ไม่พอใจเพราะเราทรงจิตวางเฉย ไ, ได้โดยถือเบี้ขาเป็นสำคัญอดกลั้นอยู่ในกําลังจิตไม่แสดงการออกมาคมจิตไม้อยู่ เพราะว่าดีเพียงแค่นี้องค์สมเด็จพระบรมครูก็ต้องกล่าวว่ายังไม่พ้นนะครับเพราะว่าปัลลำอด ก, กลั้นกระเดี๋ยวมันก็พังถ้ารมจะดีจริงๆมันต้องมาอดขั้นต้องปล่อยไปเลยใ น, นการเลียปล่อยไปเลยนี่ก็ต้องอาศัยการสัมผัสเปส็นสําคัญคือคลุกเคล้าอยู่กับลมที่ชับเจ้าบ้างไม่ชอบเจ้าบ้าง กับความเหน็ดหน่วยกับความหนาวความร้อนความอดหมาความว่าความไม่สมบูรณ์ในอาหารต้องสัมผัสทุกอย่างแบบนี้แล้วก็จิตตปรงตัวเมื่อจิตตปรงตัวได้โดยทีย่การไม่ต้องอดใจอารมณ์ใจเป็นไปตามปกติถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาการสัมผัสกับอาการเป็นทุกทางกาาไม่มีความหวั่นไหวของจิต การสัมผัสวาจาที่ไม่เป็นที่ถูกต้อไม่มีอ่อเราบรรไว้ไานวาจานั้นอย่างนี้จรงจะเริ่มเข้าได้ท้าเมหลายจะลืมว่าผมใช้คําว่าเพิ่งจะเริ่มใช้ได้มมม ไ, ดไม่เท่ใช้ดีเมื่อการที่จะปฏิบัติอย่างนี้ได้เราก็ถึงกันสายเดียวพอ นั่นก็คืออารมณ์ไม่ฟุ้งซานคำว่าอารมณ์ไม่ฟุ้งซานนี่ไม่สามารถจะใช่อารมณ์ปักโดยเฉพาะในชั้นแน่ๆนตลอดไปทีเรียกว่าลืมหูลืมตาไม่ได้นั่งหลับตาทรงตัวแน่นรื่อนสนิทอันนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันอาการอย่างนี้ไม่ใช่อาการของบุคคลผู้ทรงความดีนั่นยังพปนอารมณ์คมจิกโย มีเรียกว่ามีคำพระนัประหารไม่ใช่สมุทเฉพประหารมีคำพระนัประหา ร, าป ร, หารแปลว่ากดใจเท่าไว้ความจริงมันไม่พอใจแปลว่าไม่ทําการเคลื่อนไหวทําเบาอารมสงบแต่ความจริงจิตไม่สงบความดิ้นรนของจิตโดยความไม่พอใจยังมีอยู่แต่ถ้าว่าค่มใจไว้โดยเฉพาะ ถ้าเผยอะไรกำลังใจประเภทนี้ก็พผังมานั้นมีใจดีจริงๆมันก็ต้องปล่อยใจกันได้เลยแบบ ส, บ, สบายคนพูดดีหรือคนพูดชั่วเราไม่สนใจไม่มีความหมายสำหรับเราเราถืออย่างเดียวเอเกษัตารมเที่เดคารมย์คาตสามรถรม์ ที่มาเข้ามาก็เพราะเป็นความไม่พอใจเันได้ด้วยจิตสงัดจากกิเลสก็หมดเรื่องกันนี่ต้องพูดเพียงเท่านี้นะนักปฏิบัติอันดับดีเขาเข้าใจแต่ได้ว่าท่านนักปฏิบัติที่สัจจว่ารเป็นการปฏิบัติทําตามเขาสัจจวัตรทำอันนี้ไม่เข้าใจ ทำไมจึงว่าอย่างนี้ก็วพาะว่าคณะของเราเนี่ยเรียนกันตั้งแต่ขึ้นตนแล้วก็จบจบแล้วก็ขึ้นตนใหม่ระนาดตำรตาของเราก็มีครบเสียงสําหรับฟังก็มีครบแต่ใครทําอย่างนี้ได้บ้างอารมณ์ที่โลภเมื่อยของกิเลสโลภะความโลภราคะความรักโทสะความก โ, โกรธโมหะความหลงซึ่งเป็นรากฐานใหญ่ของกิเลส เราสามารถกระงับได้แล้วหรือย่างถ้ายังก็มาพิจารณาดูตัวเราว่าเราปฏิบัติมาแล้วกี่ปีแพระสงวนมีภิษาพยางค์เข้าสี่แต่มากทรงความดีเช้นเลิศได้ท่านมีอะไรบ้างมีมือกี่มือมีเท้ากี่เท้ามีปากมีจมูกมีหูมีตาเท่าไหร่ ทำไมจริงทําได้พี่ปฏิบัติาของท่านก็เหมือนกับปฏิบัติาของทุกท่านที่เข้าถึงธรรมนั่นคือรับฟังเป็นแค่เล็กน้อยแล้วก็ฝึกให้ได้ตามระดับนี้อันดับแรกที่เราจะฝึกเราก็ควรมาจับกันตัวสาคัญคืออารมณ์พุ่สร้งสางของจิตแล้วแก้อารมณ์พุ่งตัวเดียวก็เป็นพระอรหันต์ได้ นี่แก้กันไปแก้กันมาเขาแก้ตัวฟุงตัวเดียวอารมณ์ฟู้งซ่านของจิตการแก่อารมณ์ฟุ้งซ่านนี่ไม่ใช่อารมณ์ปักอย่างเดียวเป็นอารมณ์คิดก็มีแต่สำหรับวันนี้จะขอเบื้องตนมาใช้ตามที่ํำหนักตราทาั้งหลายท่านสอนบอกว่าจงใช้กำหนดลมให้ใจเขา้าออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ว่าให้ใจเขา้า เวลาให้ใจออกรู้อยู่ว่าให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่เพียงเท่านี้ถ้าเราสามารถทำได้เราก็สามารถจะชนะอารมณ์ฟุ้งซ่านได้มันเป็นขอไม่ยากสหบัตบุคคลที่เอาจริงหรือว่าบุคคลที่เอาจริงและบุคคลที่เอาดีเนี่ยเาก็สามารถ สามารถจะชนะอารมณ์ได้แต่ว่าท่านหลายกำลังใจของใครที่ไหนจะมีความเข้มแข็งอย่างนี้บ้างถ้าจะว่าไม่มีเขาก็มีกันเยอะแล้วถ้าจะว่ามีโดยทั่วไปก็มีไม่ได้ท่านี้เพราะรเพราะคนที่มีใจจริงหายากสักตวว่าจะพูดว่าปฏิบัติ สักจว่าจะมีความรู้สึกว่าตัวดีอย่างนี้หา ง, ง่ายทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่านี่ผมพูดตรงไปตรงมาเพราะต้องการคนดีจริงๆต้องการมักนักปฏิบัติที่เข้าถึงความดีจริงๆไม่ใช่สักจว่า ร, รูกูระทูสโกปฏิบัติเพื่อไปจบชาวบ้านหาลาภหาผลหาคนเคารพรับถือ นักปฏิบัติแบบนี้ไม่ต้องการมีการกาหนดรูนเราไม่ใจเขาออกเป็นของไม่ต้องลงทุนเราจะนั่งอยู่ก็ดีเราจะยืนอยู่ก็ดีเราจะเดินอยู่ก็ดีเราจะนอนอยู่ก็ดีเราทำกันได้ทุกเวลาแล้วก็ทช้เวลาสั้นๆเอสชนะจริงๆ สักสองสามนาทีบังคับไว้แล้วบังคับอารมณ์ใจว่าสิบคู่นี้เราจะไม่ยอมให้ปิดเน็กหรือเรื่องอื่นถ้าว่าเอืนมันมีอารมณ์แทกเข้ามาจริงๆเราตั้งต้นมันสมัยแค่หนึแค่สิบรอบตพองเราไม่ใจเรียกว่าเรียกว่าสิบคู่ถ้าดีดไม่ได้จะไปดีตรงไหนกันต้องทำความรู้สึกไว้เสมอว่านั่นเราเลวเต็มที เพียแค่อารมณ์เพงเท่านี้ระยะเวลาเพีงเท่านี้เราทรงอยู่ไม่ได้นี่เป็นวิธีหนึ่งที่เราจะสามารถอาชนะความเพุ่งสร้างของจิตได้นี่วิธีที่สองทกานาจารย์ทลายท่านแนะนำให้ใช้คำภาวนาเพราะคำภาวนานี่เป็นเครื่องปูุกใจส่วนใหญ่ ในระยะแรกท่านจะให้ภาว น, นาว่าพุโทโธอันนี้เพราะว่าคำว่าพุโทโธเป็นพุทธานุสติกรรมฐานเป็นการนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์อย่างหนึ่งในอย่างหนึ่งเป็นคำภาวนาที่ง่ายสั้นและสบายเพราะว่าคําว่าพุโทโธเป็นถ้ื่อคำง่ายสัน้น เวลาให้ใจเข้าในว่วพุธเวลาให้ใจออกในกวโธถ้าเชื่อมอรมอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปคิดอย่างอื่นถ้าคิดอย่างอื่นก็ใช้ไม่ได้การควบคู่ลมให้ใจกับคำว่าพุธโธเป็นของง่ายแล้วก็แปรการสะดวกนั่งอยู่รู้ลมให้ใจเข้าในตกวพุธ รู้เราไม่ใจออกนกักบัตโธรู้เฉยๆไม่ใช่บังคับอารมณ์ให้หนักให้เบาให้ยาวให้สัน้นไม่ใว่บังคับลมให้ใจเป็นแต่เพียงว่ารู้อยู่เท่านั้นเอาแค่รู้ไม่ๆ่การแา่นาบาโลสติกรรมฐานจะมีสภาพเหมือนคล้ายกระบุนครอบใช่ไหมอย่างนั้น มันมีความอึดอัดเพราะเราไม่เคยบังคับมันมนบาบังคับมันเข้าแต่ความจริงกลายเข้าไปบังคับแบบนั้นมันไม่ถูกจะต้องไม่บังคับอารมณ์หรือไม่บังคับลมหายใจก็ออกว่าหนักหรือเบายาวหรือสัน้นปล่อยลมหายใจตามปกติเพียงแค่เอาสติสัมปชัญญะมาควบคุมเท่านั้น พแปลว่าการควบคุมแบบนี้ก็เป็นของยากเพราะเราเป็นคนไร้สติสมัญญามานานในวันเราไม่ใจเข้า ใ, ใจออกี่เราให้ใจเข้า ใ, ใจออกมาตั้งแต่กเกิดแต่แปลว่ากี่วันครั้งล่ะที่เราจะรู้ว่าเราให้ใจเข้าให้ใจออกบางทีรับนับเป็นเวลาแรลมฝีเราไม่เคยคิดที่จะไม่ใจเข้า ใ, ใจออกเลย ที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะขาดสติสัมปชัญญะสติคือไม่รู้ว่าเราจะให้ใจเข้าหรืใจออกสามเณัญญะรู้ตัวว่าเวลานี้เราให้ใจเข้าหรือให้ใจออกต่อมาเราก็มาเพิ่มคำวัพุธเวลาให้ใจเข้าเรกว่าพุธเวลาให้ใจออกเรียวัฑโทอย่างนี้เพียงเท่านี้เราต้องชนะให้ได้ นี่จะใช่วเวลาไหนบ้างก็ <c oughs> ขอเต่ว่าใช้ได้ทุกเวลาเวลานั่งอยู่นั่งแบบไหนสบายก็นั่งแบบนั้ น, ออ น, นไม่จำจะต้องไปนั่งขัดสมาที่ตัง้งกายให้ตรงอันนี้ไม่ไม่จำเป็นเรื่องการตัง้งกายให้ตรงมันต้องตรงพอสมควรถ้าตรงมันอารมณ์สบาย กานนั่งขับสมาธิไม่ไหวอยากจะนั่งพระเพียรจะจะนอนเองกายอยากจะนั่งเก้าอี้อยากจะนั่งห้อยขายก็เชิญตามสบายคอยมีความรู้สึกว่าเสมอว่าเราฝึกที่จิตเราไม่ได้ฝึกที่กายเรื่องทางกายอย่าทรมานเชินไปอย่าไรจะมันจะไร้ผลนีน่ถ้าเวลาเดินเขาเรียกว่าจงกรมอันนี้เป็นของดีมาก ด้่ยการทรงอารมณ์ด้วยการเดินนี่เป็นการเคลื่อนไหวทางกายนี่เห็ว่าเราเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปในห้องของท่านใช้ได้สบายหน้าห้องก็ได้แต่ระมัดระวงังถ้าใครพขาจะมาเห็นเราเข้าเราต้องเลิกนหน้าห้องถ้าไปทําให้เขาเห็นมันจะกลายเป็นอดพระพุทธเจ้ า, าทรงปรับเป็นโทอดเอว่าเป็นวิกิเลอยู่มาก ดโยมต้งระวังข้อนี้ไว้ให้มากเวลาเดินไปถ้าจย้อนถามมาว่าเดินแล้วทํายังไงก็ท่านเดินเ อ, อ, ยอยาง่ายๆห้ยใจเข้าก้าวเท้าไหนหาใจออกก้าวเท่าไหนก็ว่าไปหรือว่าเวลาเดินไปในจิตภาวนาก้าวไปพุทธก้าวไปโอย่างก็ได้ถ้าต้องการภาวนาถ้าไม่ต้องการภาวนาก็ให้รู้นี่ก้าวเท่าซ้ายนี่ก้าวเท้าขวา เดินไปเดินมาอยู่ในห้องของท่านเป็นการจงกรมเท่า น, นั้นพอแล้เวลาเ ด, นดิดนปนิบัติเช้าไปปฏิบัตินับถึงเริ่มออกปฏบัติวนัึงกลางกลางมันโนไปในทานนี้ว่าเราจะทรงอารมณ์แบบนี้ตลอดเวลาถึงไประดับจะไม่ยอมไม่ยอมถอนอารมณ์เลยนี่เป็นกิจที่ทำที่ดีที่สุดเป็นการปฏิบัติในแบบฉบับที่ดีที่สุด เพราะว่าเป็นการสรงอารมณ์ไม่เป็นปกติไม่ช้าความชินเกิดขึ้นอการทุกอย่างจะเป็นอัตโนมัติหมดเขาก็อยากเช้าจะปอิบัติแต่สไตคมันเลยเพราะว่าเมันดันใจเสรดเวลานั่งว่างนิดจิตจะจับอารมณ์ตามที่ต้องการคือลมไม่ใจเขาออกแล้วทำอัปโพธิ นี่สําหรับคำภาวนานี่ก็ขอบอกว่าขอแนะนำแบบว่าไม่จํากัดนะใครจะภาวนาว่าอย่างไรไม่ไม่ห่วงไม่ห้ามเพราะคำภาวนามีนโยบายอยู่อย่างเดียวคือจูงจิตให้เข้าถึงสมาธิทังนท่านจะภาวนาว่าอย่างไงก็ได้ให้เป็นไปตามอัญญาใสแต่อย่วลืมว่าทั้งนั่งก็ดีทั้งนอนก็ดีทั้งยืนก็ดีทั้งเดินก็ดี ทำกิจกายงานอยู่ก็ดีจะลีมลมให้ใจเขาออกนะพุทโธถ้าควบกันไม่ได้ลมให้ใจไม่สามารถจะคบได้ก็ใช้คำพุทโธจะเฉยๆนึกนาในใจแม้จะคุยกับเพื่อนล้ามีจังหวะว่างนิดหนึ่งเราก็ดึงอารมณ์เข้ามาจับคำพุทโธไว้เป็นปกติใหม่ๆก็จะมีอาการฝืนยบบ้างเป็นขอธรรมด า, าถ้ า, าการชินปรากฏขึ้นมาวันทั้งวัน คืนทั้งคืนที่ขณะที่เราตืนอยู่อารมณ์เช่นนี้จะจับอยู่เป็นปกติไม่มีอะไรอะไรเส้นไหมอยากมินิบาตจออกจากพัดไปจนกว่าจะกลับคําว่าพุทโธระรู้ลงใใจเขาออกจะก็้องอยู่ในใจตลอดเวลาถึงเวลากเขากระทั่งกับเสียงที่เราไม่พึงปรารถนาเป็นเสียงระฆังชงใจในใจก่อน เวลานี้จิตใจเราเข้าถึงองค์สมเด็จพระชินวร อ, อารมณ์ก็สงบสงัดเสียงดีก็สงัดเสียงเลวก็สงัดเสียงที่ถูกใจก็สงัดเสียงที่ไม่ถูกใจก็สงัดความเหนื่อยเมื่อล้าการร้อนกันหนาจับไม่สามารถจะทำใจว่าโยกเราได้ถ้ะยาถามว่าวิธีแบบนี้ทำกี่วันจริงกันได้ผมขอตอบเลยว่าสิบห้าวัน เป็นอย่างเร็วที่สุดมีเราพูดกันจริ ง, งจงนะริาปเขานักปฏิบัติที่ดีถ้ารู้อย่างนี้ทรงตัวความวุ่นวายเขาท่านผู้นั้นจะไม่มีเลยในหมู่คณะจะไม่มีการท่านลงตัวว่าท่านดีกว่าเขาท่านเร็วกว่าเขาท่างเสมอเขาจะไม่มีเพราะจะเป็นคนระมัดระวังอยู่ในคำภาวนาแล้วลมหายใจเขาออกแล้วจะเอาอะไรไปอดครับ ไม่รู้ไว้ด้วยว่าแค่คำว่าพุทโธและลมหายใจเี่ออกสามารถทรงได้ยังสานสีสำหรับวันนี้มองดูเวลาก็สมคนแล้วขอยุติปฏิบัเพียงเท่านี้นี่ขอท่านนะปฏิบัติแทนหลายเจ้าปฏิบัติตามอัิยานสายที่ท่านจะบูรธรรจะนั่งแลือจะนอนหรือจะเดินหรือจะเดินจะยืนแล้วเดินก็ได้ สำหลับการแนะนำแบบนี้เวลากำหนดเวลาเลขไสมีให้เป็นไปตามวัตยาใส่ท่านอังนัสำหับนี้ก็ข อ, อยุติคำแนะนำประเพนีหวังว่าท่านหลายคงจะพากรักษากำลังใจตามแบบปฏิบัติภาษาวัคองสัมเด็จพสมมาสั ม, มพุทธเจ้าเป็นอย่างดีอย่าไม่ปล่อยให้รมความชั่วเท่าทีเคยปฏิบัติมาแล้วนี้เป็นเจ้าหัวใจต่อไป ต่อไปนี้ไปขอทุกท่านก็ตั้งใจส่งอรมณ์ตามปฏิยาใส่ก็สามารถส่งติสัมปชัญญะควบคุงกําลังใจทคำบรรณาไ ว, ว้ให้ได้ตามที่ท่านต้องการสวัสดี